คนอื่นก็ได้ผลต่อไปดังนั้นนับได้ว่าการศึกษาและการปฏิบัติได้ประโยชน์ทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยดังนั้นในช่วงที่เราฟังก็ปฏิบัติด้วยทำความเข้าใจด้วยวันนี้อาจารย์อภัยอาจารย์มหาอาภัยประพังกโรซึ่งเป็นได้ไปทำการแทนเจ้าวาแทนสมาอยู่ที่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 พระรัตนตรัยแล้วก็องค์เด็จพระสมมาสัพพุทธเจ้าก็ากราบถวายความครบพระดิพุลุงพ่อพระมหาดิเรกพุทธยา น, นโทแล้วก็ขอาการคณณสงฆ์ขอเจริญพรในธรรมกับนักปฏิบัติธรรมผู้ที่กำลังแสวงหาและได้แนวทางออกจากทุกข์ ทุกท่านทุกคนอ๋เอานาะก็นั่งฟังตามสบายเอามือลงนะ่ะเอามือลงฟังแบบสบายสบายนะเหมือนปฏิบัติอะปฏิบัติแบบสบายสบายนะอย่าปฏิบัติเพื่ออยากได้หลวงพ่อท่านบอกเพราะธรรมะมันไม่เกี่ยวด้วยความอยากนะ่ะไม่ได้เจียวด้วยความอยากความหิวทําไม่เอาถึงจะได้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 มันคนปฏิบัติธรรมอัญโยโมปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ตามน่ะตราบใดที่ไม่ได้สังเวทยธรรมเนี่ยคนนั้นจะไม่ได้ปัญญาจะไม่ถึงบางอ้อน่ะปฏิบัติไปได้สติสมาธิปัญญาบางคนเได้สภาวะธรรมมันว่าได้สติในหลายครั้งแต่ทําไมไม่ได้ไม่ไม่รู้รูปนามเพราะว่าไม่ได้สังเวทิยธรรมนะคำว่าสังเวทิยธรรมเนี่ยก็หมายสังเวทิยทสถานสถานที่เราควรที่จะระลึก ไปถึงแล้วเนี่ยหนึ่งสถานที่ถ้าเป็นอินเดียก็มีที่ประสูตรใช่ไมที่ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาแล้วก็ที่ป ร, รินิพานใช่หรือเปล่าที่กินก็มีหลายที่มากจนจำไ ม, ไม่ได้ละไปหลายที่แต่ว่าที่สี่อย่างนี่คือที่เราจะต้องตามไปแล้วก็ไปนั่งไประ ล, ลึกนะฉะนั้นสถานที่สี่อย่างนี่อยู่ที่ไหน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 พอ <c oughs> ไปอ่านอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาอ่าบวชแล้วก็หนีเข้าป่าเลยไปประพฤติปริบัติเอาเป็นเอาตายทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะจะมาไปเจอพระรูปหนึ่งไปอินเดียด้วยกันนะครับท่าไปตามทัวร์ด้วยกันนี่แหละก็เลยถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนโอ้ะอยู่ที่ภาคใต้เป็นนักเรงเก่าก็ตัดสินใจบวชท่านก็เล่าให้ฟังผมผมหลงมาเยอะเหมือนกันท่าอาจารย์ตรงนั้น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 ันก็บอกว่าตายซะเจรผลทุกไปแต่ผู้มีปัญญาผู้ที่พอมีบุญเก่าเหลืออยู่เราะ น, นึกถึงครูบาอาจารย์เคยมาฟังมาเทศตรงนั้นตรงนีน้มาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็พอมีแนวทางได้บ้างก็มีเขาเรียกว่ามีบุญเก่าคอยอุปถัมป์อยู่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ <c oughs> พูดถึงบุญเก่านิดหนึ่ง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 นั่งยกมือสร้างเยาวเนี่ยแกคขานั่งยกมือด้วยอก็เป็นคนที่แปลกผู้หญิงตัวเล็กเ็แล้วก็ดูแกมีความสุขอิ่มยกมือไม่เหนื่อยไม่ล้าเลยแล้วก็ให้สามีนะสามีฝรั่งคนคนฝรั่งเศสอุ้มลูกให้สามีก็ชี้งเชียงนะทำให้ทำอะไรทำหมดนะสามีคนนี้ตามที่ตำราสังเกตดูใช้คำว่าเชี่ยงไวว่าไม่พูดไม่จาให้ทำอะไรทงหมด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 เฟซบุ๊กโทรศัพท์โทรหาไม่รับสักคนหนึ่งพึ่งไขไม่ได้เลยพรอจันนั้นตัวคนเดียวแกบอกทำยังไงทีนี้ก็เลยมันทุกข์อ่ะพอทุกข์แล้วทำไงก็แสวงหาทางออกจากทุกข์ทำยังไงก็แกบอกจะฆ่าตัวตายหลายครัา้งเหมือนกันนะทีนี้ก็เลยนึกถึงอคูบาจยา์ที่นู่นมันไม่มีไปวัดไปวัดขอภัยนะไปวัดวัดลาวขอภัยนะวัดลาวไปไปพูดเรื่องทุกข์อะไรเขาเขาก็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 ในการมาพื้ปฏิบัตินะมันถึงจะปฏิบัติทำได้พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไปเห็นทุกข์ที่หลังโอ้ชีวิตที่มันทุกข์ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนะก็ทุกข์ขนาดไหนล่ะโยมถึงจะเห็นทุกขนะ์เดี๋ยวเราขออภัยพูดถึงเอาเอาจำจิตมาพูดถึงทุกข์ขนาดไหนนะพูดถึงไอ้คนผู้หญิงคนนั้นก่อนเนะพราะโยมหลายคนขล่องใจนะพอดีเขา <c oughs> พอดีมีขอแห้งได้หนึ่งนะเพราะว่ามันมีอ่าไออยู่ไม่หายทีนี้ก็เลยถามเขาเป็นไงเขาเนี่ยไปไปฏิบัติธรรมเห็นเห็นใน y o u ูทูบเนี่ยแกก็เลยไปนั่งปฏิบัติธรรมที่บ้า น, นทั้งที่ปัญหาก็เยอะนะหลังจากออกจากคุกมาแล้วเนี่ยมาอ่าจนมาเปลี่ยนสามีใหม่อะ่ะะสามีเก่าทิ้งเลยอสามีเก่าก็ไปกับคนที่มันโกงนั่นแหละว่างั้นะ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 นะมันเบากายเบาใจอ่าแม้แต่ความแม้แต่เรื่องคิดถึงเรื่องปัญหาปั๊บเนี่ย mm. เขาบอกรู้ว่าเป็นปัญหาอยู่แต่จิตใจมันไม่ไปทุกข์ช่างมันจะบอกแล้วก็หาทางแก้ที่หลังนะอะไรจะเกิดก็เกิดอ่ะแล้วก็ทําสุดความสามารถแล้วนะนี่คือกาปรปฏิบัติธรรมของแกแกก็ เ, เลยหลังจากนั้นแกเขาตั้งขยันเดินจงกรมเช้าเย็นปฏิบัติธรรม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 ยังมีอยู่อีกนะก็ไม่ใช่ช้อยแหละหัวข้ อ, อใหญ่ๆเหมือนกันนะในสติปัฏฐานสูตรอะนะกายหมดกายยายังมีอยู่อีกคืออะไรล่ะฮะอ้าอาริยบทนะไหมตัวนี้ท่านบอกให้รู้ชัดประชาณติให้รู้ชัดชัดยืนเดินนั่งนอนอันนี้นยังมียังมีอยู่อีกคือให้รู้อาริยบทชัดๆเนะ่ะถ้ายืนเดินนั่งนอนจะไม่รู้ล่ะ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 เอาวิปัสสนาก่อนค่อยไปทำสมถะมันต้องพ่อว่าเนี่ยถ้ามาทำสมถะแล้วก็เข้าสู่วิปัสสนาเลยเนี่ยก็ายากเหมือนกันเพราะบางทีมันติดสถมถะมยกมือไม่ขึ้นแล้วโอ้ยกขยุ่งยากนั่งสบายดีกว่าอันนี้ก็ธรรมะาเคยเป็นบ่อยๆเหมือนกัน น, ะนั่งไม่ปวดแขนดีมองเนี้ยนะนะทีนี้ข้อนี้คือถามว่ามีไหมเขาบอกว่าไม่มีเอามีแล้วมีอะไรล่ะเขาบอกให้วางตาสบายตามที่เขาไปค้นดูในพระไตรปิกให้วางตาสบาย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 เอาเอาเอาอริยบทย่อยแล้วเน่ะหมดแล้วนะธาตุก็แล้วกันคือเรานั่งไปนั่งมาเนี่ยอ่านั่งไปนั่งมาความคิดมันปรุงแต่งเยอะ ม, มันตกเริ่มวิวจาัยแล้วนะเริ่มวิวจาัยเริ่มวิจัยทําแล้วเนี่ยคือหมวดแรกที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยในโพชงเกตองคกาตาสุเนี่ยคือดอกบัวดอกแรกพุทเจ้าเนี่ยตมาไปตามหาดอกบัวพรทธเจ้าไม่มีคนอินเดียเขาไม่มีหรอกนะ มีแต่เราน่ะดอกบัวดอกแรกคือสติดอกที่สองคือธรรมะวิจยะดอกสามคือวิริยะดอกสี่คือปิติดอกห้าคือปัสสติดอกหกคือสมาธิดอกเกตคืออุเบกขานี่คืออันนี้คือรอยพระเจ้านั่นแหละเหยียบดอกบัวที่บินบาลอ่ะพดชงแปลว่าตื่นรู้นะพูดชงเกตอะเริ่มจากสติก่อนทีนี้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 มาลืมตาอีกวิธีการหนึ่งนะไม่ใช่สายนะนะวิธีการหนึ่งให้ลืมตาแล้วก็ทําให้ชัดๆอถ้าเหนื่อยก็พักก่อนบ้างได้นะแต่ว่าอย่าหลับตัวเองนะทําต่ออีกทำเร่งๆเป็นเทียนแล้วก็เวลาทําก็พยายามจำกำจำกัดอินทรีย์กําจัดสายตาเราอย่าให้มองไปไกลมากให้มองเฉพาะที่มองที่ใดที่หนึ่งมองใกล้ๆนะถ้ามองไปไกลมันฟู้งซ่านมันก็ไปนู่นน่ะ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 นะก็จะได้ลงลึกกว่านี้อีกให้ฟังตอนนี้ก็เอาหลายๆเรื่องเพราะอะไรให้เราได้ข้อคิดให้เราได้มีกําลังใจถ้ามีกําลังใจแล้วเราจึงจะทําเห็นแนวทางเพราะวิธีการพุทธคือเราต้องทําให้ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาสุดท้ายคือให้ได้ปัญญาจึงจะพ้นทุกได้สติสมาธิก็ยังไม่พ้นทุกต้องได้ปัญญาเท่านั้นนะจึงจะพ้นทุกคึงจะปล่อยวางนะไม่มีตัวไม่มีตนเราได้นะแล้วก็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 หาโมดกให้เขาทีเนี้ยะหาให้น้อยมันก็ดา่าองเอาไม่พอกินก็จะว่าเอาสแสวงหาหาไม่ถูกไม่พอมันก็จะการสแสวงหาที่สําคัญคือสแสวงหาโดยสุดจุริตหายากใช่ไหมจะต้องต้องแก่งแย่งต้องแข่งดีต้องเบียดเบียนผู้อื่นบ้างจะมาเห็นอย่างนั้นแล้วสลดใจเลยโอ้โเดี๋ยวเราก็ตายแล้วขอใช้คำว่างไงล่ะ